ธรรมาชาดกแผ่นที่9าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มีนาคม 2,556 มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีไม่มีคุณตามปกติวัดของเรา ถ้าหากไม่มีกรณีพิเศษวัดของเราก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ทำรวมเป็นกลุ่มก็คือวันพระแปดค่ำสิห้าค่ำถ้าเป็นกรณีพิเศษก็ประชุมกันในระหว่าง แปค่ำสิบหาค่ำก็มีเป็นบางครั้งถ้าหากว่าเรามีภารกิจหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องปรึกษาปารบหรือว่ามีเรื่องที่จะประชุมหารือก็จะมีการประชุมในระหว่างแต่ครั้งนี้ในระยะถ้าหากว่าเป็นไปได้คณะนักศึกษา พระหลูกพ้าหลานที่เข้ามาปวดมีเวลาน้อยมีเวลาเพียงเดือนเจ็เศษหลวงพ่อเองก็มานึกดูว่าแล้วว่าทางว่าเราจะไปชมแต่วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำก็คงมีเวลาน้อยเกินไปควรจะมีการไปชมกันทุกวัน ตอนเช้าถ้าหลวงพ่ออยู่ก็จะได้พูดเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ก็มีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดเพราะว่าเราจะพูดมากก็ไม่ได้พอไปเป็นเวลาชันอาหาร นั้นจะต้องพูดในตนเย็นเกี่ยวกับกฎระเบียบและวินัยที่พวกลูกหลานเจติเรียนรู้เรื่องหลักพระธรรมวินัยหรือแนวทางของพระพุทธศาสนาศีลธรรมจริยธรรมที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อที่ อยู่ในพระพุทธศาสนาน่มนานมีอะไรที่จะเกิดประโยชน์สำหรับพระลูกพาหลานที่จะเข้ามาศึกษาก็จะได้บอกกล่าวเรื่องนั้นๆนะแต่ถ้าว่าหลวงพ่อไมโ่โยหลวงพ่อก็จะได้บอกพระพีเลี้ยงหรือบอกพระกูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดก็ให้มา ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ย่ออย่างวันนี้เสร็จแล้วก็เอา MP3 ของหลวงพ่อที่ได้เทศหรือว่าได้พูดหรือว่าได้กล่าวสมโภชนิยกถาต่างกลรมต่างวาระมีก็มีมากอยู่ที่จะให้พวกเราที่เป็นนักศึกษารุ่นนี้รุ่นที่บวชในครั้งนี้จะได้ศึกษา จะได้เรียนรู้เพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของเก่าแล้วก็ไม่ใช่ของใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเอสัมโมสันนันโนพระธรรมเป็นของเก่าทำไมจะว่าเป็นของเก่าถึงพูดยังไงมันก็อย่างนั้นอย่างเก่าเหมือนกับเราทานอาหารจะดูนานไปเท่าไหร่ อาหารก็เหมือนกันเนี่ยทานเข้าไปกันน่ะ mm. ก็เป็นอย่างเก่า mm. เพื่อเลี้ยงธาตุขันให้อยู่ได้ทำมะก็เหมือนกัน mm. เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วก็ททำให้จิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้ อันนี้ละคือพระธรรมเพราะนั้นถ้าวันไหนหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดก็ให้พร ะ, ะรุ่นพี่เปิดเอ็มทีสามให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ทำไมไม่เปิดครูบาอาจารย์องค์อื่นอย่างองค์หลวงตาอย่างนี้องค์หลวงตาเนี่ยเรามีสถานีวิทยุในวัดอยู่แล้ว เราจะเปิดตั้งแต่สองทุ่มไปถึงตีหจะฟังหลวงตาได้ตลอดเสียงชัดเจนอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราต้องการฟังของหลวงตาก็เปิดได้เลยวิทยุก็แจกให้แล้วแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นก็มีอยู่ตอนกลางวันถ้าบางทีเจอองค์ไหนเราก็เปิดแล้วก็เจอครูบาอาจารย์แต่ละองค์ แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองแต่ละรุ่นหลวงพ่อเองก็เคยบอกเคยกล่าวให้แก่พวกเรานักศึกษาทั้งหลายบอกว่าการฟังก็ดีการอ่านหนังสือก็ดีหลวงพ่ออยากจะให้ประมาณ 20% ่สถ้าคิดเป็นในการปฏิบัติธรรมของพวกเราร0 0อซ่ ให้เพื่อการศึกษา 80% ดบเอร์เซน์ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาต้งอกตั้งใจปฏิบัติจะทำอย่างไรจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้เราต้องพยายามแลบภาวนาปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน แต่ว่าการมาปฏิบัติของพระลูกพระหลานในครั้งนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกลูกหลานพระลูกหลานทั้งหลายนำแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติทำไมจึงหลวงพ่อจึงคับแคบทำไมจะไม่เอาองค์อื่น ห, หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลาน สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อยึงอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายนำแนวแถวสายหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติซะก่อนเพียงเดือนเดียวถ้าหาว่าลูกหลานปฏิบัติดูแล้วไม่ได้ผลลูกหลานจะเปลี่ยนเป็นกรรมฐานอื่นก็ไม่ผิดแต่ขณะที่มาอยู่ที่นี่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติแพ่งนู่นเพ่งนี่ กสินนั่ น, นกสินนี่ผลที่สุดก็เลยเสียรูปแบบหรือว่าเกิดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสเป็นบ้าเป็นบ อ, นบอขึ้นมาแล้วจะมาตําหนิหลวงพ่อว่าเอา้ามาอยู่ที่นี่แล้วทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นจะทําจะว่ายัางไงพอมาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราไม่ได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้แนะนําบอกกล่าว พวกเรานำกรรมฐานที่พวกเราคิดว่าดีแล้วก็นามาปฏิบัติแต่มันออกไปแล้วมันเสียเสียรูปแบบหรือว่าเสียออกไปนอกรูปนอกทางหรือว่าลักษณะเฉพาะธรรมแตกลักษณะอย่างนั้นเคยมีเพราะนั้นขอให้พระลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวช ให้นำแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวในวันก่อนเราปฏิบัติยังไงสําหรับผู้ที่มาศึกษาอันดับแรกก็ร่าไหว้พระอย่างวันนี้ไหว้พระอรหังสวาสดิโตสุปฏิปัโนทำขนาดนี้ก็ได้หรือยาวกว่านี้ก็ได้หรือจะสวดที่เราได้สวดมงคล ปริตะมงคลอันไหนก็ได้ทำมาจากกร ะ, ระวัรานะสูตรอะไรก็ได้ถ้าเราจะสวดแต่เมื่อสวดเรียบร้อยแล้วไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กราบกราบไปทางที่หมอนของเราที่เราจะพักผ่อนเราจะนอนพอกราบเสร็จเรียบร้อยพุโทโธทมโมสังโฆจากนั้นก็นั่งกับสมาธิขาขวาทับขาซ้าย แล้วจากนั้นก็ปันนมเมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสมจบคือล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการที่นั่งสมาธิหรือการที่นั่งปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์เราล้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบรมครูของพวกเรา เพนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิเราก็รำลึกถึงพระคุณพระคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจากนั้นก็เอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ที่โคลนต้นโพแต่ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออ ก, าาออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านนำมาประยุกต์ใช้สองอย่างท่านบอกว่าเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก มันหลงมันหลุดมันลืมได้ง่ายสมควรยิ่งที่จะบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทว่าหายใจเข้าพดหายใจออกโทพดโทพดโทอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านให้เอากรรมฐานสองอย่างคืออาณาปานสติและกับ พร้อมกับกำหนดลมหายใจหายใจเข้าแล้วผมเอาบริกรรมพุทโทเข้ามาสามทับด้วยเป็นันว่าเอาสองอย่างอาณาปานาสติกับพทุทโถอันนี้คือหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนอันนี้คือสมาธิยังไม่ใช่วิปัสสนาสมถะ เรียกว่าสมาธิสมถาะาหรือสมาธิที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานต้องพยายามทำจิตใจให้สงบซะก่อนถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุดแต่ถ้าว่าภาวนาดูแล้วกำหนดลมมันไม่อยู่มันทะเลถลหลหรือว่ามันอยากจะออกมันจะออกมันคิดออกนอกกลุนอกทาง มันเอาไม่อยู่จะกำหนดมันก็ปองอยู่ตลอดมันเอาไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่อย่างนั้นเราก็จะพิจารณาร่างกายก่อนก็ได้พิจารณาอะไรอย่างที่พระอุปชาสอนเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจนังมังสังเนื้อเอนกระดูกเชื้อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า แล้วก็ดีพวกเลือดออน้ำอยู่ในร่างกายของเราจากนั้นก็กระดูกออที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นโครงสร้างในร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกอยู่ในร่างกายเรากาหนดดูกระดูกออจากนั้นก็ดูทุกส่วนของร่างกายมันอยู่ในสภาพเช่นไรแยกส่วนแบ่งส่วนดูก็ได้ออสมมติ สมมติแยกอยู่ร่างกายของเราเนี่ยเอานั่งอยู่ที่เนี้ยถอนผมมากองไว้กองหนึ่งถอดเล็บไว้กองหนึ่งถอดฟันไว้กองหนึ่งถลกหนังไว้กองหนึ่งจากนั้นก็ํำแหละเนื้อไว้อีกองหนึ่งดูตับดูปอดดูลำไส้ ถลกออกไปเป็นกองกองๆองกองถ้าเราช้ำแดดและนะ้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมร่างกายของเราอันนี้ก็คือกําหนดดูกายอันนี้เริ่มเริ่มทางวิปัสสนาแล้วนะที่นี่นะอันนี้เราบอก ว, ว่าวิปัสสนาคือมันนึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เราบกวิปัสสนาส่วนทําจิตใจให้เป็นหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าพร้อมกับหายใจเข้าบริกรรม หายใจออกบริการโทนอันนี้ไปว่าภาวนาอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้สมถะแต่ส่วนแบง่งแยกส่วนแบ่งส่วนนั้นอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายให้รู้จักคําว่าสมถะนั่นคืออะไร วิปัสสนานั่นคืออะไรสมรถะคือทำจิตให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งในเมื่อนิ่งแล้วผ่านความนิ่งแล้วผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาแยกแยะร่างกายสังขารของคนเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมตั้งแต่ศีรษะทนจนถึงฝ่าเท้ามันไม่จิรังทาวร มันไม่มั่นคงเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็พร้อมที่จะเจ็บป่วยพร้อมที่จะแตกตายสลายในที่สุดไม่ถึงร้อยปีพันปีร่างกายนี้จะต้องถึงจุดจบของมันไม่มีร่างกายไหนที่จะไม่ถึงจุดจบร่างกายทุกร่างกายถึงจุดจบด้วยการทุกขดอันนี้คือพิจารณาเมื่อร่างกายของเรา ยังไม่ใช่ของเราจะถึงจุดจบอยู่แล้วถึงจะตายอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจในใจของตนเองอีก น, ะนั่นแหละนึกคิดทางวิปัสสนาเข้ามาไดนน้นึกคิดใช่ไหมยอมรับไหมไม่ยอมรับจะไม่จะทำยังไงมันก็ต้องยอมรับเมื่อเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นละ่ะที่เกี่ยวเนื่องกับกายของเราจะเป็นของเราไหม เงินคำทรัพย์สมบัติญาติโกโหติกาพ่อแม่ผีน้องลูกลานยศถาบรรดาศักเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราใช่ไหมแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราใช่ไหมอันนี้คือคือถามผู้รู้คือถามใจที่ผ่านความสงบคือเป็นสมาธิแล้วนั้นมันก็จะเห็นได้ชัดเจน ว่าร่างกายกับใจใจกับกายในการเป็นอยู่มันคนละสัดละส่วนกันเห็นได้ตามความเป็นจริงอันนี้แหละอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาความนึกคิดดูกายแล้วก็ดูใจดูใจแล้วก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูใจสลับไปสลับมาพอในสุดในเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแนละ้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวง มันอยู่ในใจทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าว่ามนโนปุพังขามาธรรมมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้กล่าวไว้ทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านดูให้ภาวนาให้กำหนดให้ดูกายดูใจของตอนเองที่มันหลงหลงอะไร โรงร่างกายว่านร่างกายนีจะเป็นของจิรังถาวรจะอยู่นานเท่านานจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายพราะนันจึงหลงพอหลงแล้วกันนะลืมไปหมดทุกอย่างคิดว่า ท, ทุกอย่างมันเป็นของเราทั้งหมดผลในสุดว่าน้ำเหลวทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราเห็นไห ม, มพวกปู่ย่าตายายพวกอาเสียอากองอาหมากของพวกเราไปไหนหมด แต่สมัยก่อนเขาก็ถือว่าเป็นของเขาทั้งหมดแต่บัดนี้ไปเขาเหล่านั้นไปไหนหมดมาถึงพวกเราเราก็ยึดถืออย่างที่พวกเขาเหล่านั้นต่อไปอีกมดอีกพวกลูกหลานก็พวกเราไปไหนหมดเขาก็จะถามหาอีกเหมือนกันโปรในสุดมันเป็นทอดทอดมันเป็นความลุ่มหลงมัวเมาด้วยกิเลสโลภโกรดหลง ราคาโทสะโมหะของพวกเราที่มันลุ่มหลงมัวเมาคิดว่าเป็นของเราที่แท้แล้วมันไม่ใช่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจุดนี้และนั้นขอให้พวกเราภาวนานะอันดับแรกก็คือพยายามทำจิตใจให้สงบก่อนที่หลวงพ่อเคยแนะนำบอกกล่าวจะเห็นได้ชัดได้เร็ว เวลาเรานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารั้หายใจเข้าหายใจออกรัว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะก็พร้อมกับบริกรรมพุทโธแต่มันยังลดโยให้บริกรรมพุทโธให้ทีหลวงพ่อบอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ใจของเราบริกรรมนะแต่ไม่ให้มันออกเสียงไม่ออกปากให้มันให้บริกรรมอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไอตัวนึกคิดน่ย ตัวที่มันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกนั่นะอย่าให้มันนึกคิดอย่าให้มันปุงออกไปให้มันอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวสมทับอยู่กับพุทธโธให้ถี่เย็บไม่ให้มันมีช่องว่างที่จะออกไปอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งคือสองวิธีละ ว, วิธีหนึ่งก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันที่2ก็คือกาหนดหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือที่2อันที่3กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถีเย็บอันที่4หลวงพ่อแนะนําอีกว่าหายใจเข้าให้นับหลวงพ่อบอกให้นับนะให้หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3นับ4นับ5้านับ6นับถึงร้อยเราจะรู้ได้ว่าหายใจเข้านั้นเป็นเลขขี้ หายใจออกมันเป็นเลขคู่1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่อะไปถึงร้อยทามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่ามันเผลอเวลานับไปมันเผลอหลุดหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่แสดงว่าเราใช้ไม่ได้สติของเราอ่อนมาก พยายามตั้งให้แข็งขึ้นเองไปพยายามรู้สติให้ก็เราให้เข้มแข็งขึ้นเองหายใจนับดูซิจนไม่เผลอไม่เผลอนับทีไรก็ไม่เผลอสัก10ครั้งแสดงว่าอืใช้ได้จากนั้นก็มาบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกจะดีขึ้นมากทีเดียวนะอันนี้เป็นการทดสอบทดลองทดลองดูนะอันนี้หลวงพ่อแนะนําคิดว่าไม่ผิด ให้วิธีการฝึกสติในเมื่อเรามีสติดีแล้วจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแต่บางคนบางท่านมันยังเผลอออกไพลออกไปอยู่มันยังเผลอดวงตาท่านบอกว่าให้ใช้ปัญญาปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิท่ญญ า, มมา น, นทำอย่างไรถามให้จริงสมาธิอบรมปัญญา ที่หลวงพ่อแนะนําเบื้องต้นว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจรวมสงบโปร่ ง, งเป็นหนึ่งอันนั้นเปลว่ า, าสมาธิอบรมปัญญาในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วถอนจากจิตที่ความสงบนั้นนํามาพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโโจอันนี้เลยว่ า, าสมาธิอบรมปัญญาแต่ปัญญาอบรมสมาธิ ที่หลวงตาแนะนําบอกกล่าวให้คณาราชก์ได้เรียนรู้คือให้กําหนดลมให้กําหนดร่างกายอย่างพวกเราไปเห็นโรคโครงกระดูกอย่างเนี้ยเห็นโครงกระดูกแล้วเราไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเราก็พอจะจําได้ติดตาเราเราก็นํามาพิจารณาโครงกระดูกนั้นโครงกระดูกนั้นมาพิจารณาตัวของเราเราเนี่ยเหมือนโครงกระดูกที่เราเห็นใช่ไหม ก็เหมือนกันเพราะโครงกระดูกของมนุษย์โครงกระดูกหญิงชายเหมือนกันใช่ไหมที่เราเห็นเราก่ใชายมีกระโหลกหัว wow. มีกระดูกมีกระดูกคอมีกระดูกไห้ปาร่ามีกระดูกแขนทั้งสองข้างมีกระดูกนิ้วมือเกิมีกระดูกชี้โครงมีกระดูกหลังมีกระดูกเชิงกามมีกระดูกขา มีกระดูกเขา่ามีกระดูกแข้งมีกระดูกเท้ามีนิ้วเท้าให้เราเอาความจำความจำที่เราเคยเห็นโครงกระดูกนั่นแต่ก่อนนั่นมากำหนดดูมากำหนดดูร่างกายของเราเราในเป็นโครงกระดูกใช่ไหมถามว่าใช่ไหมเรามีโครงกระดูกใช่ไหมข้างในเนี่ยปฏิเสธได้เหรอมันโครงกระดูกชัดๆ จากเราก็พิจารณาโครงกระดูกย้อนค่อยๆพิจารณาไม่ใช่แบบรวบรวบลาดนะพิจารณากโกรกศีษะแล้วมาดูใบหน้ามีโพรงจมูกยังไงมีขากันไกล ย, ยังไงมีฟันยังไงเบื้องบนเบื้องล่างยังไงขากันไกล ย, ยังไงกระดูกคอยยังไงมันต่อยังไงมันติดกันยังไงกระดูกมันลงมาหากระดูกคอกระดูกไหาปารปลาระยังไง กระดูกแขนซ้ายกระดูกแขนขวาอย่างไรกําหนดดูค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆเห็นกระดูกทั้งหมดให้เห็นในร่างกายของเราถึงเราจะเดินจงกรมเราก็ให้เหมือนกับกําหนดขาออกไปกระดูกเป็นโครงกระดูกกระดูกโครงกระดูกเดินให้เห็นแต่โครงกระดูกอย่าให้เห็นรูปร่างก้างตัวที่เราพีอยู่ไม่ให้เห็นให้เห็นโครงกระดูกเท่านั้นออกโครงกระดูกเดิน เวลาเรานั่งให้โครงกระดูกนั่งกาหนดโครงกระดูกตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะกำาศีรษะจนถึงฝ่าเท้าวันไหนก็กาหนดกระดูกเพราะมันใจมันมันมันทะเลถลายมันออกมันชอบออกนอกรูนอกทางเราก็ให้มันกาหนดให้มันเห็นร่างกายของตนเองเห็นโครงกระดูกของตนเองค่อยๆดูไม่ต้องดูเร็ว กำหนดดูเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอถึงฝ่าเท้าแล้วก็ย้อนขึ้นมาจากฝวาเท้ามาถึงศีรษะย้อนจากศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าเออทีนี้พิจารณาพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนทบทวนอยู่หลายครั้งต่อห ล, ห ล, อยหลายหนพที่หลหลสุดเราเห็นร่างกายของเรานะจุดไหนที่เด่นที่สุดในร่างกายที่เห็นกระดูกกระดูกท่อนไหนกระดูกตัวไหนที่ เห็นชัดเย็นที่สุดว่าเรากําหนดดูเห็นกระโหลกศีรษะอย่างนี้เราเห็นกระโหลกศีรษะขาวโพนที่ศีรษะของเราเยกระดูกขาวที่ศีรษะเราก็เอาจิตหรือเอาตัวผู้รู้ของเราเนี่ยกำหนดอยู่ที่โครงกระดูกอยู่ที่กระโหลกศีรษะตัวนั้นแหละให้กำหนดอยู่จุดนัดจุดเดียวจะนี้เมื่อมันเห็นชัดนะ แต่ที่แรกเรไล่ไปซะก่อนเลียงไล่ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยไม่รู้กี่ครั้งตีกีห่หนไม่ต้องพูดถึง20 30ิบาครั้งแหละกำหนดเรื่อยเรือตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะตลบไปตลบมาย้อนไปย้อนมาขึ้นมาถึงศีรษะกันนึกลงไปไล่ลงไปจนถึงฝ่าเท้าจากนั้นกันน่ะดึกเอาไฟเผาดูซิไฟเผากระดูก แล้วก็ น, นึกดูเมืม่อเผาแล้วกันดูกระดูกมันขาวยังไงถึงมาถึงศีใสนีละถ้าเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายทีนี้มันต้องมีนะทีนี้เมื่อเห็นมันจะชัดเจนในความรู้สึกที่เรากําลังพิจารณ า, นานเอาสติจับอยู่ตรงนั้นกําหนดอยู่จุดนั้นพอกําหนดอยู่จุดนั้นแหะจิตใจของเราที่มันตัวที่มันนึกคิดมันปรุงอยู่ตลอดเว ล, เวลา แค่นี้มันมันไม่ปร่งเลยมันอยู่กับเอเราบังคับเอาสติให้อยู่กับกระดูกอยู่แล้วมันไม่ออกกี่แล้วใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเลอจิตใจรวมปุ๊บเป็นหนึ่งเลยรู้ชัดติดกายกับใจใจกับกายรู้ได้ชัดในขนาดนั้นเล ย, เลยนี่แหละอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใให้ใช้ความคิดซะก่อน ให้ใช้แนวความคิดให้ใช้ปัญญาดูร่างกายคือให้มันเคลื่อนไหวดูร่างกายจากนั้นเมื่อกำหนดดูจับจุดจ่อเพ่งหรือกำหนดให้อยู่จุดนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้อันนี้เราปัญญาอบรมสมาธิให้พวกเราเข้าใจสมาธิก็คือสรุปแล้วก็คือให้จิตใจรวม เป็นหนึ่งถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจิตใจไม่มีกำลังจิตใจของเร า, เาท้อแท้อ่ อ, อนแอนปวกเปียกาหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ทะเลถลายไปเลยเผลที่สุดกร็มองโทษตัวเองเบื่อไม่ใช่เบื่อหน่ายนะมันเบื่อแบบมันเบื่อแบบอะไร แบบกิเลสเข้ามาคลองใจลักษณะอย่างนั้นนะมันไม่มั่นใจมันไม่อาจฐานมันไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจอ่อนแอใจหมดสภาพโคตรง่ายๆถ้าใจมีกิเลสถ้าเหมือนปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาใจหมดสภาพใจหมดหาความเชื่อมั่นในตนเองไม่ได้ใจประเภทอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องพยายามดูใจของเราปลุกใจของเราให้เข้มแข็ง พยายามทำจิตใจของเราให้สงบบังคับใจของเราให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขาขวาเวลาเดินยงกลมเวลาเราจะเดินยงกลมเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งนอนโดยมากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านแนะนำอริยาบทสองมากกว่าเดินกับนั่งยืนเวลายืนต้องหาที่พิง หยุดเพียงต้นเสารหรือว่าจืนแล้วมันโงนเงินท่านท่านจะไม่แนะนำในการยืนโดยมากท่านจะให้เดินกับนั่งซะมากกว่าเวลานั่งก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวลูกหลานนั่นนงทางานที่ยังไงจะเดินมีทางเดินยังกลมเกือบทุกกติที่วัดของเราเวลาจะเดินยังกลมพิธีเดินจังกลมทำยังไง ก็มีหลายคณาจารย์มีหลายรูปแบบมีหลายสำนักที่แนะนำสั่งสอนแต่พวกเรามาศึกษากระสายหลวงปู่มั่นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราต้องปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูใบาจา์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าไปยืนอยู่สุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นปนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ3จบจากนั้นเอามือลงเอามือลงในระหว่างท้องน้อยในระหว่างท้องมือประสานกันขามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้าแต่ไม่ต้องเดินเร็ว เดินตามปกติเหมือนกับพวกเราเดินไปศาลามากุติยางเนี้ยแะเดินขนาดนี้แหละ เ, เดินปิดเา้าขนาดนี้แหละจะไปเดินช้าไม่ใช่ว่ายกก้าวขายกขึ้นมาพุดยกขาลงไปโถไม่ใช่ เ, เราเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใจช้าถึงขนาดนะั้นใจของเรามันเร็วแนวความคิดเร็ว เ, เพราะนั้นให้พวกเราให้ภาวนา ขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพุดโถเวลาไปถึงส uh ุดทางจงกลมเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเราหยุดพอหยุดแล้วก็ก้าวขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพุดโถเวลาเดินอย่าเอามือควายหลังอย่าเอามือขัดหลังควายหลังอย่าควายแขนอย่าไปเอามือกอดอก หลวงปู่มั่นท่านสอนถ้าเอามือกอดอกเหมือนกับคนลักษณะมีทุกข์ในใจถ้าไว้แขนมันลักษณะขาดความเคารพเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจเมือ่อเดินธรรมดาเอามือคว้หลั ง, งก็เหมือนกันมันท่าไม่เคารพเหมือนกับฐานะเกรงท่าเดินไปเล่นๆ ล, ลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเอามือไว้ที่ท้องอันนี้นคือท่าลำพึงท่าลำพึงคือท่าคล่นคิด หาเรื่องบางเรื่องที่เราจะต้องอยากจะรู้ที่เราเอามือประสานไว้ในท้องลักษณะคนที่คุ่นคิดตามหาเรื่องที่จ้องที่อยากจะรู้บางเรื่องในใจของเราเนี่แหละเราเดินพุทธโท ร, ดโทรเดินนานไหเอาให้นานที่สุดบางทีก็บางคนก็จิตใจรวมสงบในขณะที่เดินก็มี ในขณะที่เดินจงกรมจิตใจรวมสงบมีจากนั้นพอเราเดินเหนื่อยแล้วเราก็ขึ้นมาไหว้พระกราบพระถึงจะไม่ไหวย่ยาวอะหังสวากะตเพียงแต่กราบพระพุทโธธรมโหมดจงกรมนั่งสมาธิต่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธต่อเลยก็ได้จิตใจมันต่อเนื่องกันในการเดินจงกรมจิตใจก็จะได้จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะขณะที่เดิน คณะที่เดินเราเปลี่ยนอริยาบทนะมันเคลื่อนไหวใช่ไหมมันก็ถ้าว่าการเดินยองกลมเรามีมันสงบได้นั้นแปลว่าคนนั้นความสงบในการเดินจะปลาเนีตกว่าลึกกว่าแน่นแนบหนึ่งกว่าโพดอย่างนั้นได้เพราะว่าเราเดินจองกลมเวลาเดินจิตใจสงบเนี่ยขามันจะเช็ด เขามาขาขาขวาซ้ายยืนนัง่งมีจิตสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นะคือมันสงบในขณะขณะเดินไม่ใช่เดินบัลเล่ตสงบไปในการเดินไม่ใช่นะ เ, เวลามันจะสงบเนี่ยขาขวาขาซ้า ย, ยมันจะชิดเข้าหากันเลยยืนนัง่งสงบปล่อยน่งรู้ไปรู้ละพอจะนั้นมันจะถอนขึ้นมาอันนี้คือวิธีมันสงบในขณะที่เดิน ในเมื่อเราเดินไปแล้วจนเดินจนเหนื่อยกลับขึ้นมาอย่างที่ว่าขึ้นมาที่พักล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยทําความสะอาดเอามากลับพอกาพุทธโธธรมโมสังโฆนิพานังใกลับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานาจากนั้นกนนั่งัดสมาธิเลยปนมมือขึ้นระหว่างอกอย่างที่ว่ า, าพุทธโธธรรมโมสังโฆนึกเสร็จเรียบร้อยเอามือลงบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำมันยัง เผอไพล่ก่อนี่แหละกำหนดโครงกระดูกขึ้นมาหรือบริกา ร, รมพูดโทรให้ถียิบหรือว่านับ1 2 3สอย่างทีหลวงพ่อได้บอกกล่าว3 4วิธีจากนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะเรามาปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้มาทำการงานอย่างอื่นเรามาภาวนาปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกขตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน แนะนำสั่งสอนนี่แหละวิธีการภาวนานวิธีการปฏิบัติให้ลูกหลานทั้งหลายฟังฟังเอาไว้วิธีเวลาจะออกจากเดินทางเดินยังกลมทำอย่างไยงเวลาเราเดินเหนื่อยแล้วก็เวลาจะเดินยึงกลมกดปน ม, มือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนพุโทโธธรรมโมสังโฆจากนั้นแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินยังกลมภาวนาในครั้งนี้ ดยบุญกุศลนันนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องพรังเคื่อกูลนนท์พ่อแม่ปู่ย่าตายายสุดแท้แต่เราจะอุทิศส่วนกุศลแล้วครัไม่นึกมาถึงตัวเองตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วใรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆุกวิญญาณด้วยเอิดเวลาเราจะออกจากเดินจงกรม จากนั้นเวลาเราจะออกจากสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาเราจะออกจากสมาธิเราก็ปรนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนหรือว่าจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าพ ร, ระพุทธเจ้าก่อนน้โมตสสะพระคขาวาโตสมจบซะก่อนจากนั้น เ, ออเราก็อุทิศส่วนกุศลข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทั่วไตรโลกธาตุไม่ว่าสวรรค์ชั้นพรมนรกอวีจีสัตถิระชานทุกประเภทขอให้มีความสุขอย่างที่ที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าป ร, รารถนาทุกวิญญาณด้วยเถิดอันนี้แหละวิธีการแผ่เมตตาถ้าจะว่าไปคือแผ่เมตตาครอบจักรวาล เ, เมตตาทำค้ำจุนโลก ถ้าคนที่มีเมตตาต่อกันไปอยู่รสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทุ่นหน้าถ้าหากว่าไปอยู่รสถานที่ใดมีแต่ความอิจฉ้าพยาบาทอาฆาตจองเวนต่อกันความอิจฉ้าอยู่ที่ไหนความบรรลัยอยู่ที่นั่นความบรรลัยมันอยู่ความอิดชากันเพราะฉะนั้นเรามีแต่เมตตาความเมตตาอยู่รสถานที่ใดความสุขสวัสดี พัฒนโมงคนก็เกิดขึ้นในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะคนทั้งหลายมีเมตตาต่อกันนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติขอใะ้นั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้มีทางวิธีการปฏิบัติมาครั้งนี้คราวนี้หลวงพ่อเองจยากจะให้พระลูกพระหลานลูกหลานทั้งหลาย มาปฏิบัติอย่างน้อยให้ริมรถแห่งความสงบสักครั้งหนึ่งพวกลูกหลานจะไม่มีวันลืมและก็ซึ้งในจิตใจอีกต่างหากถึงจะไปทําการทํางานถึงจะเป็นมดเป็นหมอเป็นนายแพทย์ต่อไปภายภาคหน้าพวกลูกหลานจะไม่ลืมว่าสมัยหนึ่งเมื่อเรามาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยในคืนวันนั้น เรานั่งภาวนาจิตใจของเรารวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งรู้กายรู้ใจรู้ใจรู้กายแยกกันเป็นชัดส่วนเห็นได้ชัดกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายคือร่างกายใจก็คือใจร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่จิตเหมือนคนขับรถนิ่งสงบเราเห็นได้ชัดด้วยตนเองนี่แหละถ้าลูกหลานจิตใจสงบ ได้เึ้นขนาดนั้นไม่มีวันลืมเห็นคุณของพระพุทธศาสนาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเป็นทอดถ่ายทอดกันมาอีกต่างหากนี่แหละถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะยอมรับทันทีว่าโอ้ที่ พระธรรมคําคสอนที่พพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำนี่เป็นความจริงจริงๆนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะลูกหลานทุกคนนะให้มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแล้วก็ในการเป็นอยู่ให้เราลําลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีอุปการะคุณคุณพวกเราเกิดมาอยู่ในตระกูลใด อยู่ในชุมชนใดให้พวกเราลำลึกถึงผู้มีพระคุณไม่ว่าอยู่เหนือน อ, อยู่ใต้อยู่ประเทศไหนอยู่ในมุมโลกไหนถ้าว่าผู้ใดล้ำลึกถึงผู้มีอุปกระคุณอยู่ผู้นั้นมีแต่ความเจริญมันจะไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วมีพระสงฆ์องค์หนึ่งไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์พระองค์เนี้ไม่รู้จักบุญคุณของเราไม่ใช่แต่ในชาตินี้นะอดีตชาติก็เคยมีมาแล้วพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะ พระธองค์ก็เลยตรัสเป็นชาดกขึ้นมาบอกว่าสมัยหนึ่งมี mm hmm. กรุงกราดสักและกรุงพาราณสีแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ทั้งสองหัวเมืองอแล้วก็มีเศรษฐีสองหัวเมืองอีกอเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ไปทํามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในระหว่างเมืองอเมืองพาราณสี ได้ผ้าเมืองราชคือได้ข้าวก็ไปเปลี่ยนการสินค้าเป็นเมืองใหญ่แต่ทีนี้เศรษฐีกรุงพาราณสีเนี่ยดำเนินกิจการ mm. อะไรก็ไม่รู้ mm. เหมือนกับ i m เมอปี3940บเก้าีศูนนี่ก็ลังเศรษฐีนี่ก็ดมดตัวเลยเหมดตัว ก็เลยเอ๊เท่าเป็นอย่างนี้ก็ทั้งหมดตัวนลก็คิดถึงแต่เพื่อนเศรษฐีอยู่ที่กรุงราชคักขน่นแหละที่มีน้ำใจที่ไปมาหาสู่ธรรมาค้าขายด้วยกันกคงจะไปหาพึ่งพาใสาเพื่อนที่กรุงราชสักแต่นี่นก็บากหน้ามาหาเพื่อ น, นแบบช้ยานพานะ แบบคนยากจนนะรพระมันตกอับแหลนะทางเดินทั้งอะไรมาถึงกรุงราชจะคือมากมาหาเศรษฐีกรุงราชจะคือเศรษฐีกรุงราชจะคือเห็นเอา้าเพื่อนมายังไงมายังไงโอ้ยผมดําเนินกิจการผิดพลาดถูกยึดหมดตัวแล้วเพื่อ น, นทางเพื่อนคุณโอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมาถึงแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะแบ่งให้เพราะคนนี้ก็มีมีสมบัติทั้งแปดสิบโกรธกรุงราช จ, จะคือกับโกดกรุงพาราณสีก็80ดโกดเหมือนกันโกดนั่นก็คือสิล้านนะ่ะสิล้านเป็นโกรธนะทีนี้แปดสบแปดสบล้านนะแปดสิบโกดธนะทนี้เศรษฐีกุงราช จ, จะคือก็เลยเอา้าเปิดฉางออกมาเลยฉางสมบัติออกมาแบ่งให้เลย สีล้านเลยใจใหญ่นะถือว่าเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันตกทุกข์ได้ยากให้ไป40ล้านจากนั้นกาแบ่งสมบัติส่วนอื่นให้อีกค่าทาสบริวารแบ่งให้ยกให้เป็นครึ่งหนึ่ง เ, เพราะว่าเป็นสหายกันพอเสร็จแล้วเอาไปพวกลอเกวียนแบ่งให้ครบทั้งหมดกลับไป พอกลับไปเขาในเศรษฐีคนนึงก็ตั้งตัวได้ใช่ไหมเน่ยเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างเก่าพอต่อมาทีนี้เศรษฐีกรุงราชคือเนี้เออดําเนินกิจการผิดพลาดยังไงอีกไปเลยล่มจมจิบพายอีกเนีเอยถ้ามันพลาดอย่างนั้นเขาคงจะไม่เป็นนิทานคงไม่เป็นชาดกอย่างที่ว่าจาะได้ก็เลยเศรษฐีกรุงราชคือเร้ก็แแ อ, อ้เราก็ให้ช่วยเหลือเพื่อนเอีอ ตั้งสีโกรเราคงควรจะไปหาเพื่อนพอเพื่อนเขาตั้งตัวได้แล้วเ ร, เราควรจะไปหาเพื่อนกุ้งราดตะเกือนี่ยเกิดไปเลยพอไปถึงอยู่นอกเมืองก็เลยบอกให้พรญญาอยู่อยู่ที่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนคงจะเอารถเอาอะไรมารับแล้วเราคงยังค่อยเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปก่อน ถ้าเธอเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะเหนื่อยผมจะเข้าไปหาเพื่อนเจ้ก่อนคนหนึ่งก็เเข้าไปเข้าไปเพื่อนอยู่นั่งอยู่ที่บันลังนั่งอยู่ที่อาสนะไม่ไม่ออกมาต้อนรับเลยมาเห็นเอาเพื่อนมาเหรอครับมามาพักอยู่ที่ไหนล่ะพักอยู่ข้างนอกครับทั้งที่จะทักทายอย่างอื่นไม่ทั้งที่บอกบอกว่าที่นี่ไม่มีไม่มีที่พักนาะ เด็ดๆจะเอาเอาข้าวให้เออเาข้าวเอาข้าวให้เอาไปกินข้างนอกเอาไปหุงต้มกินข้างนอกะเอเศรษฐีตัวนี้มึงไม่รู้จักบุญคุนนะทีนี้ทีนี้ก็ให้คนเอาข้าวเอาข้าวหักนไม่ใช่ข้าวสารอีกต่างหากนะแต่วันนั้นข้าวที่เขาเอาเข้าขึ้นช้างเนี่ยข้าวชาลีเนี่ยเออเป็นตั้งร้อยเกวียนเอาขึ้น ฉางในวันนั้นแต่ให้เพื่อนเนี่ยให้ข้าวเพียงข้าวหักเพียงสี่ทนาน อ, อไปเอาไปไปไม่ที่นี่ไม่มีที่พักแล้วก็หากินตามสบายสบายนะเพื่อนนะเออที่นี่ก็เพื่อนกรุงราชึกษ์โอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ได้กับเราแต่ถ้าว่าเราไม่รับของเขาไปก็เหมือนเราลังเกียจเดียดสันนะ่ะ ยังมีน้ำใจอีกจะได้แหมยังมียังมีน้ำใจอีกถ้าเราไม่รับมันก็มิตรสหายก็คงจะแตกเอาเถอะเขาอาจจะมีความคิดบางอย่างในขณะนี้ต่อไปเขาอาจจะคิดดีกว่า น, นี้ก็ได้แหม่ยังมีเจตนาดีอยอู่เพื่อนก็รับไปรับเข้าสารสีธนานเข้าหักอีกต่างหากแหมไม่ใช่ข้าวที่ดีพอไปถึง แม่บ้านเขาก็นกคอยอยู่แม่บ้านก็ถามเอา้าทาไมได้อะไรมาโอ้เพื่อนเขาให้ข้าวมาสีทนานไม่ได้เรื่องแล้วเพื่อนเขาบอกไปหาหูงหาอาหารหาที่อยู่ที่กินเองเถอะพอพูดเท่านั้นแม่บ้านของเศรษฐีที่มาร้องให้โหขึ้นมาเลยโอ้เราให้เขาทั้งทซั์ทั้งสี่สบโกดทั้งคู่ทั้งคนด้วยทั้งเกวียนทั้ง คนใช้ด้วยอะไรทุกอย่างเรามอบให้ครึ่งหนึ่งสมบัติของเราเขาตอบแทนได้เพียงแค่นี้เหรอเนะี่ยไผู้หญิงเขาลําเลิกนะในะทางผู้ชายเนะี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อให้ให้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วทําไปไงเมื่อเขาไม่ลําเลิกถึงเนะเทีนี้พอเอามาทําไมข้าวเพียงแค่นี้เนะี่ยทาสามีก็เลยแนะบอกกล่าวว่อนะนะผมมีความคิดอย่างนี้นี่ผมจึงได้เอามา ทีนพวกข้าทาสบริวารเพราะเศรษฐีเอาให้มากรุงราชคฤห์มาเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เห็นเข้ามาโอ้เจ้านายของเราเข้ามาในวาเนเขาก็เลยเข้ามากราบมากร า, า, าบมาไหว้แสดงความเคารพมาถามไทย เ, ยเศรษฐีก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้บริวารเก่าฟังทักบริวารเก่าโอไม่ได้เศรษฐีที่เรามาอยู่ทําไมแรง แรงน้ำใจถึงขนาดนี้จากนั้นก็ไม่ได้พวกเราต้องไปฟ้องพระราชาปะ่ะพวกนี้ก็นำสองเศรษฐีทุกยากสองคนไปบ้านของตนเองพวกลูกน้องบริวารก็ลุ่มกันมาเนี่ยพอหลุมกันมาเสร็จแล้วก็ให้อาหารการบริโภคเลี้ยงดูปูเสือตามที่เจ้านายมาหาเสร็จแล้วก็ปะเข้าไป เฝ้า พ, พระเจ้าแผ่นดินเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ็นดินกรุงพารานสีเข้าไปก็ยกธงป้ายขึ้นมาเลยนะบอกว่าเศรษฐีกรุงพารานสีนี่ไม่มีน้ำใจเป็นผู้มีอคตนอยู่ไม่รู้จักบุญคุณของเพื่อนที่ให้เมตตาสงเคราะห์นายามเวลาตกทกตะยาก ตอนี้พระเจ้าแผ่นดินกรุงพหราณสีก็ตื่นตระอกเหมือนกันอา้าวเรื่องอะไรมาโพดเจ๊อะโพดเจ๊กับพูนไปไปเรียกเศรษฐีมาพอเศรษฐีทั้งกรุงพาราณสีทั้งกรุงพระราชคือเฮ้ย <Hey. S 1> อยู่คนละข้างฟากกันเลยพระเจ้าแผ่นดินก็ถามมาโพดเจเนี <Hey. S 1> เป็นยังไงเรื่องราวเรื่องราวเป็นยังไงพระจุพระเจ้ากรุงราชคือก็บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีสมัยก่อนอยุ่กรุงราชกุเศรษฐีกรุงพาลานสีตกทุกข์ไดย่างด้วยเศรษฐกิจปีนั้นได้ไปพบข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้แบ่งสมบัติให้ทั้ง40โกดแล้วก็ข่าถาดบริวารขนทรัพย์สมบัติมาพกเวียนอีกจนขอนขนของสมบัติมาจนตั้งตัวได้แต่บัตรนี้ข้าพเจ้าเศรษฐกิจ เล่นงานข้าพเจ้าข้าพเจ้าล่มจมเหมือนกับเศรษฐีเนีนะ่ข้าพเจ้าก็เลยมาหาเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยเพื่อนแต่พอมาถึงแล้วเพื่อนได้ให้ข้าวไปเข้าหักไปสีทนานก็เลยบวกลูกน้องบริวารเก่าก็เลยเต็นนาข้าพเจ้ามาหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงนี่แหละลักษณะอย่างนั้นนะ่ะ พระเจ้าแผ่นดินพระราเศสีก็บอกว่าเฮ้อเศรษฐีเป็นอย่างที่เขาพูดทุกอย่างไหมมีอะไรแก้ไหมแก่ตัวไหมทางเศรษฐีกรุงพระราเศสียอมรับว่าครับเป็นอย่างที่เศรษฐีกรุงราชคือพูดทุกอย่างครับพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเท่านั้นโอ้โหโกรธอย่างมากเลยทีนี้ยึดซัพย์ึดซับทั้งหมด มันเป็นของเศรษฐีกรุงราชคือไม่ใช่ของแกแกตกทุกข์ได้ยากเขามาถึงขนาดนี้ทําไมไม่รู้จักบุญคุณของเขาทางพอจะยึดทรัพย์พระเจ้ากรุงเศรษฐีเมืองกรุงราชคือ ก, ก็บอกวอย่าไปทําถึงขนาดนั้นเถอะกระผมกระผมขอสมบัติคืนก็นแล้วกันที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเศรษฐีเขาก็มีฐานะ มั่นคงขึ้นมาแล้วก็ผมขอคืน40ล้านไอ่โกดก็พอเออจากนั้นพระเจ้าเป็นเอกเลยบังคับก็พาบริวารที่มาที่ส่งมาเนี่ยกลับไปคืนทั้งหมดแล้วก็เงินอีกให้อีก40โกดกลับคืนกรุงราชาคือนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่านี่นะ ในชาตินั้นเราตถาคตเนี่เป็นเศรษฐีกุงราชคือแล้วก็มีพระนี่แหละองค์นี้แหละพระเทวทัตเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นเศรษฐีกุงพารณสีการที่เป็นมนุษย์ชุมชนใดกลุ่มใดข้อตามถ้าไม่รู้จักบุญคุณซึ่งกันและกันไม่รู้จักบุญคุณที่เขาแสดงออกตอบบุญคุณเขาแล้วจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ ในชุมชนในบุคคล น, นั้นๆอันนี้ก็คือในชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ลํำลึกถึงพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเรามาเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรถ้าว่ามีผู้อุปการะคุณเลี้ยงดูเรามาให้ดูเราเราควรจะสนองพระคุณท่านอย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวแนะนา สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พระลกูกพระหลานทั้งหลายให้ลํำลึกไว้อยู่เสมอในใจอย่าเป็นผู้ออดูถูกหรือว่าไม่รู้จักบุญคุณผู้มีอุปกระคุณอันนั้นแปลว่าเป็นผู้อาคตันจู เ, ออเรือว่าเป็นผู้เนรคุณไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราที่ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วควรจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรมากน้อยแค่ไหน เมื่อเราได้รับพระคุณจากบิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจทุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านฮะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเบื้องต้น การดำเนินภายในวัดของเราพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าถ้าหากวามไม่มีอะไรจะไม่มีการประชุมแต่ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่ครั้งนี้มีพวกลูกหลานที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาบวชตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่24มีนา56วันนี้เป็นวันที่25เริ่มตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่มีอะไร ตอนเย็นทุกวันประมาณสักเนี่ยหลวงพอว่อประมาณ6โมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งมารวมกันไหวพระจากนั้นก็มีการสวดมนต์จ้จากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาเป็นการปรอมทางด้านจิตใจพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเฉลียวฉลาดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร เมื่อหลวงพ่อได้พูดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องทำสมาธิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ฟังวิธีการทําสมาธิมีกี่อย่างจา้นก็เดินวิปัสสนาแนวความคิดการพิจารณาอย่างไรสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงแล้วก็มาสรุปเรื่องชาดกให้กับพวกเราเกิดมานั้สถานที่ใดอยู่ในชนชุมชนกลุ่มใด อ ย, อย่าลืมลำลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกราระคุณถ้ามีผู้ให้พระคุณสำหรับเราอย่างสีเศรษฐีกรุงราชคฤห์กรุงพระราณสีเมื่อเองตัวเองตกทุกข์มาหาเพื่อนเพื่อนช่วยเหลืองอย่างเต็มที่แต่พอตัวเองฟื้นตัวขึ้นมาได้พอเพื่อนไปหาไม่เห็นหัวเขาเลยดูสิมันถูกต้องไหมอย่างนั้นอย่างน้อยก็ต้อง ลำเลิศถึงบุญคุณที่เขาให้กับเรานั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกหลานทุกคนนะเกิดมาทั้งทีชีวิตให้ล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการคุณมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะแต่พวกเร า, าไม่เห็นหัวใครแล้วก็นั่นแหละความจีบหายอยู่ใกล้ๆพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละต่อไปภายภาคหน้านะและการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติ ตอนนี้ไปนั่งสมาธิน่ทินเนี่ย